จงอย่าละเลยสิ่งนี้วอเตอร์เดมรอดแต่งงานกับลูกสาวของเยมยีเบนนักพูดลือนามที่สุดคนหนึ่งของสหรัฐอเมริกาซึ่งครั้งหนึ่งเคยสมัครรับเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดี จำเดิมแต่คนทั้งสองพบกันหลายปีมาแล้วที่บ้านของแอนดรูคานิกกี้ในสกอตแลนด์ต่างรักกันและแต่งงานกันผัวเมียคู่นี้ต่างร่วมชีวิตด้วยความสุขอย่างน่าอิจฉาเคล็ดลับหรือท่านในการเลือกคู่ถัดจากความรักนางเดมรอดกล่าวดิชันเห็นว่าความสุภาพอ่อนโยนหลังแต่งงานเป็นสิ่งสำคัญในอันดับสองถ้าเมียสาวมีความสุภาพอ่อนโยนต่อผัวของหล่อนเช่นเดียวกับหล่อนสุภาพอ่อนโยนต่อคนแปลกหน้า ชายผู้ผัวทุกคนจะไม่กล้าเป็นคนปากร้ายกับหล่อนเลยความหยาบช้าคือมะเร็งที่เกาะกินความรักให้วอดวายใครๆก็ต่างรู้ความจริงอันนี้แม้กระนั้นเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปแล้วว่าเราสุภาพต่อคนแปลกหน้ายิ่งไปกว่าต่อยาตพี่น้องและลูกเมียของเราถ้าหากคนแปลกหน้าพูดให้ตายสิคุณกำลังจะเล่าเรื่องเก่าๆอีกแล้ว เราจะไม่กล้าเอะอะกับเขาเราไม่กล้าเปิดจดหมายของเพื่อนๆอ่านโดยไม่ได้ขออนุญาตเสียก่อนหรือสอดรู้สอดเห็นในเรื่องความลับส่วนตัวของเขาส่วนสมาชิกในครอบครัวของเราซึ่งอยู่ใกล้ิดที่สุดและเป็นที่รักที่สุดแก่เราเรากลับกล้าดุดาเนื่องจากความผิดเล็กๆ น, น้อยๆขออ้างข้อเขียนของโดโรทีนิกอีกครั้งหนึ่งมันน่าฉงนสนเท่แต่เป็นความจริงที่ผู้พูดกับเราอย่างกักขละศบประมาท และทำให้เจ็บใจที่แท้ก็คือเป็นคนภายในบ้านของเราเองความสุภาพอ่อนโยนเฮนรี่เคลริสเนอร์กล่าวเป็นลักษณะดีงามของหัวใจที่จะมองข้ามประตูรั้วที่หักพังและเอาใจใส่เฉพาะแต่ดอกไม้ที่สนามหญา้าถัดจากประตูนั้นความสุภาพอ่อนโยนมีความสำคัญในการแต่งงานดุดเดียวกับน้ำมันจำเป็นสำหรับเครื่องยนต์อลิเวอร์เวนเดลโฮมผู้ประพันธ์นวนิยายเรื่องผู้มีอานาจเด็ดขาดแห่งโต๊ะอาหารเช้า ซึ่งเป็นที่นิยมชมชอบของผู้อ่านน่าจะเป็นผู้ใช้อำนาจเด็ดขาดที่บ้านของเขาแต่ตามความเป็นจริงเขากลับเอาอกเอาใจต่อสมาชิกในครอบครัวของเขาอย่างที่สุดจนกระทั่งเมื่อเขาเกิดทุกข์ร้อนและมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจเขาจะพยายามซ่อนสิ่งนี้เสียจากทุกคนเขาพูดว่าเป็นการไม่สนุกเลยที่จะแบกความรู้สึกนี้ไว้แต่เพียงคนเดียวโดยไม่จัดการส่งให้ลูกเมียรับเอาไว้เสียบ้าง นั่นเป็นการกระทำของโอลิเวอร์เวนเดลโฮมส่วนคนธรรมดาทั่วๆไปเขาทำอย่างไรเช่นเมื่อเกิดเรื่องยุ่งยากขึ้นที่ออฟฟิศขายสินค้าขาดทุนหรือถูกดุด่าว่าโดยหัวหน้าเกิดปวดหัวหรือขึ้นรถไฟขบวน17นาิกา15นาทีเพื่อกลับบ้านไม่ทันเขาจะเกิดอารมณ์เสียและเมื่อกลับไปถึงบ้านจะระบายออกมาด้วยการเล่นงานสมาชิกในครอบครัวของเขา ในประเทศฮอลแลนด์ and, ก่อนท่านเข้าในบ้านท่านจะต้องถอดเกือกวางไว้ที่ขั้นบันไดหน้าประตูทางที่ดีเราควรจะศึกษาบทเรียนนี้จากชาวดัตโดยทิ้งความยุ่งยากประจำวันจากงานการของเราเสียที่ประตูบ้านก่อนเราจะเข้าไปภายในวินเดียมเยมเคยเขียนความเรียงเรื่องความตามืดตาบอดบางประการของมนุษย์ควรยางยิ่งที่ท่านจะอ่านซึ่งตอนหนึ่งมีดังนี้ความตามืดตาบอดของมนุษย์ ซึ่งคำบรรยายนี้จะช่วยรักษาเยียวยาก็คือความตาเมื่อตาบอดซึ่งเป็นเหตุร้ายอันเราทุกคนได้เผชิญสืบเนื่องมาจากเกิดความรู้สึกครึ่งสัตว์ครึ่งคนผิดไปจากตัวของเราเอง ความตาเมืดตาบอดซึ่งเป็นเหตุร้ายอันเราทุกคนได้เผชิญนั่นก็คือผู้ชายเป็นจํานวนมากไม่เคยคิดที่จะพูดกับลูกค้าของเขาหรือหุ้นส่วนในธุรกิจของเขาให้ได้รับความปวดปร้าวแต่สําหรับกับเมียของเขาเขาจะเออะอย่างไม่ไว้หน้าเลยทั้งทั้งความสุขสําคัญที่สุดของเขาเหล่านั้นอยู่ที่ชีวิตแต่งงานยิ่งไปกว่าธุรกิจใดๆอย่างเปรียบกันมิได้ผู้ชายส่วนมากที่มีความสุขในการแต่งงาน จะมีความสุขยิ่งไปกว่าศิลปินเอกมีความสุขสันโดษในงานของเขาเสียอีกตูเยนีเอฟนักนวนิยายรัสเซียผู้เรืองนามประกาศลั่นแก่โลกอารยะเช่นนี้เขากล่าวข้าพเจ้ายินดีเป็นคนที่ปราศจากความเฉลียวฉลาดและไม่ได้แต่งหนังสืออะไรเลยถ้าหากมีผู้หญิงสักคนหนึ่งอยู่ที่ไหนก็ตามสนใจต่อข้าพเจ้าเพียงแต่เรื่องการกลับบ้านมากินอาหารค่ำของข้าพเจ้าช้าไปหรือไม่ โอกาสที่จะได้รับความสุขในการแต่งงานมีอยู่สักเท่าใดดอโรธิดิกตามที่กล่าวมาแล้วเชื่อว่าการแต่งงานของชาวอเมริกันมากกว่าครึ่งหนึ่งประสบความล้มเหลวแต่นายแพทย์ปอนโปบโนโคิดไปอีกอย่างหนึ่งนายแพทย์ผู้นี้กล่าวผู้ชายมีโอกาสประสบความสําเร็จในการแต่งงานยิ่งกว่าการเสี่ยงในธุรกิจใดๆผู้ชายที่ลองเสี่ยงในการเปิดป ร, ร้านชํา 70% ประสบความล้มเหลวชายและหญิงที่ลองเสี่ยงชีวิตด้วยการแต่งงานกัน 70% ประสบความสำเร็จดอร์โรธีดิ ก, กล่าวสรุปในเรื่องการแต่งงานไว้ดังนี้ถ้าจะเปรียบเทียบระหว่างการแต่งงานและการหย่าร้างหล่อนกล่าวการแต่งงานเพียงแต่เป็นบทบาทตอนหนึ่งของชีวิตส่วนการหย่าร้างเป็นเหตุการณ์อันไม่สำคัญแก่ชีวิตผู้หญิงไม่สามารถเข้าใจได้ว่าทาไมผู้ชายจึงไม่ใช้ความมานาพยายาม จัดให้บ้านของเขาดําเนินอยู่ในลักษณะเดียวกับเขาได้จัดให้ธุรกิจของเขาหรืองานอาชีพของเขาประสบความสําเร็จถึงแม้ผู้ชายจะถือว่าการมีเมียที่ถูก อ, อกถูกใจและมีบ้านซึ่งสะพรั่งพร้อมด้วยความสุขเป็นสิ่งมีราคาสําหรับเขายิ่งกว่าทํารายได้หนึ่งล้านเหรียญหากไม่มีผู้ชายแม้แต่หนึ่งในร้อจะเคยมีความคิดอันจริงจังหรือมีความมานะพยายามอย่างแท้จริงที่จะทําให้การแต่งงานของเขาได้รับความสําเร็จ เขาปล่อยให้การแต่งงานอันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตอยู่ในความรับผิดชอบของโชคชะตาซึ่งเขาจะได้รับชัยชนะหรือพ่ายแพ้แล้วแต่โชคชะาตานั้นจะเข้าข้างเขาหรือไม่ผู้หญิงไม่สามารถเข้าใจได้ว่าทำไมผัวของหล่อนจึงไม่ปฏิบัติต่อหล่อนอย่างอ่อนโยนและมุนละไมแทนการหยาบคายโหค้า ผู้ชายทุกคนรู้ดีว่าเขาสามารถชักนาเมียของเขาให้เต็มอกเต็มใจทำทุกสิ่งทุกอย่างและทำโดยปราศจากสิ่งหนึ่งสิ่งใดตอบแทนด้วยการใช้คำพูดอ่อนหวานของเขาเขารู้ดีว่าถ้าเขาเพียงแต่ให้คำเยินยอแกหลอนว่าหลอนเป็นผู้จัดการทางบ้านที่ดีเยี่ยมและหลอนเป็นผู้ช่วยที่หาตัวจับยากของเขาหลอนจะกระเมร็รกระแม่ทุกๆสตางค์ ผู้ชายทุกคนรู้ดีว่าถ้าเขาบอกเมียของเขาว่าหลอนสวยและมีเสน่ห์เหลือเกินภายในกระโปรงชุดซึ่งตัดเมื่อปีกลายหลอนจะไม่ยอมแลกกระโปรงชุดนั้นกับชุดใหมเอี่ยมที่เพิ่งตกเข้ามาจากกรุงปารีสผู้ชายทุกคนรู้ดีว่าเขาสามารถจูบที่ตาของเมียให้ตานั้นมืดมัวอยู่ด้วยความรักเหมือนตาั้างข่าวในเวลากลางคืน และด้วยการจูบที่ริมฝีปากอย่างรักใคร่สเสน่หาหล่อนจะกลายเป็นคนใบ้ที่ไม่มีปากเสียงประดุดปากของหอยนางรมและเมียทุกคนรู้ดีว่าผัวของหล่อนรู้ความจริงเหล่านี้เกี่ยวกับตัวหล่อนเป็นอย่างดีทั้งนี้ก็เพราะหล่อนนั่นเองได้เป็นผู้แบะท่าให้เขามองเห็นอย่างกระจ่างแจ้งว่าเขาควรจะปฏิบัติต่อหล่อนอย่างไรและหล่อนไม่เคยรู้ความจริงเลยว่า หล่อนควรจะรักผัวของหล่อนอย่างคลั่งไคล้ไหลหลงหรือควรเกลียดชังเขาเพราะบางครั้งเขาเป็นปากเสียงกับหล่อนไม่ยอมกินอาหารเร็วๆและยอมควักเงินจ่ายค่าอาหารดีๆโดยไม่คำนึงถึงความหมดเปลืองและซื้อกระโปรงใหม่ๆรถยนต์และไข่มุกให้หล่อนแต่ไม่ยอมทำความลำบากให้คำเยินยอแก่หล่อนแม้แต่เพียงเล็กน้อยและไม่ยอมเอาอกเอาใจหล่อนในสิ่งที่หล่อนขอร้องบิ้งบอลให้เขากระทำ ดังนั้นถ้าท่านต้องการให้ชีวิตในครอบครัวของท่านมีความสุขกฎที่6มีดังนี้จงมีกิริยาวาจาสุภาพอ่อนโยน